สิ่งที่เราจะทำคือใช้กิเลสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์บ้างที่ผ่านมาในชีวิตและที่ผ่านมาตลอดสังสารวัฏเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปกลายเป็นสิ่งที่นอนเนื่องที่เรียกว่าเป็นอนุสตอนนี้มีกิเลสเกิดขึ้นมาเราจะรู้มันแต่ตอนรู้กิเลสเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาก่อนจิตตรงนี้มีกิเลสเพราะว่าไปเห็นหน้าหมอเหน่งนะแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาขณะนี้จะเกิดสติไม่ได้ เพราะจิตรู้อะไรทีละอย่างเท่านั้นขณะที่รู้หน้าหมอหนอึ่งไม่รู้ตัวเองไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงให้จิตดวงนี้ดับไปก่อนและดวงใหม่จึงจะมีโอกาสที่จะรู้ได้ว่าเมื่อกี้นี้ทันทีทันใดเลยเมื่อกี้นี้มีโทสะเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าดวงใหม่เกิดขึ้นมาเมื่อกี้นี้เห็นหมอหนอง่งก็เห็นอีกและกลาย เ, เป็นจิตดวงนี้คือเกิดกิเลสตัวเดิมคือโทสะขึ้นมาใหม่เข้าใจไหม เห็นหน้าคุณดาวคุณดาวถูกหลอกสงสารเงี้นะสงสารเกิดขึ้นในใจเห็นอีกก็สงสารอีกอย่างนี้ถ้าจิตดวงนี้เห็นไปแล้วสงสารเกิดขึ้นแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมารู้ทันความสงสารที่เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าจิตดวงที่เห็นความสงสารเรียกว่าจิตที่มีสติเห็นหน้าใครดีเห็นหน้าคุณนิ่งหนงเกิดรู้สึกว่ามีราคะ ได้ไหมทาไมขำเกิดเห็นหน้าแล้วมีราคะขึ้นมาเห็นหน้าอีกก็มีราคะอีกขณะที่เห็นหน้าเนี่ยไม่รู้ตัวเองเพราะว่าไปรู้หน้าคุณนิ่งหนิงไปแล้วนะให้ดรงนี้ดับไปก่อนแล้วเกิดจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจึงจะมีโอกาสรู้ได้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดราคะในใจตอนเห็นราคะไม่เห็นหน้าคุณนิ่งหนงตอนเห็นโทสะไม่ได้เห็นหน้าหมอหน่งตอนเห็นสงสารไม่ได้เห็นหน้าคุณดาว เข้าใจไหมนั้นเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่กับโลกที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สิ่งต่างๆข้างนอกรู้สิ่งสมมุติรู้คนโน้นมารู้คนนี้ไปรู้รถคันนั้นตัดหน้าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในใจที่จริงๆแท้ๆที่เรียกว่าเป็นปรมัด ต, ตัวนี้ความโกรธเป็นปรมัดราคะเป็นปรมัดที่เราเรียกกันว่าเป็นความโกรธเนี่ยอาศัยสมมุติเรียกเอาแต่สิ่งที่เกิดขึ้ น, นจริงคือ มันมีลักษณะของมันพอเห็นมันเห็นมันบ่อยๆเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าความโกรธเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะของมันอย่างนี้ว่าอยากจะทําลายอยากจะผลักสายออกไปอยากจะหลีกพ้นหลีกให้พ้นไปจากสิ่งนี้ความโกรธนะถ้าราคาเนี่ยมันรู้สึกเหนียวเหนียวมีความผูกพันมีความโยงใหญ่อยากจะเข้าไปหาอยากถ้าความทําความรู้จักอยากจะอยู่ด้วยนานๆถ้าอยากถ้ามันเห็นก็อยากจะเห็นนานๆ ถ้าฟังก็อยากจะฟังนานๆอยากฟังอีกเหมือนโยมคนนั้นรู้สึกว่าพระ อ, องค์นี้มีใจก็อยากจะเอาพระนี้ไปอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้อยู่จะได้มองนานๆเห็นนานๆดมนานๆ น, นี่นะนี่คือราคะมันเหนียวกลับไปบ้านแล้วยังนึกถึงอยู่เลยเพราะใจยังเหนียวอยู่เห็นหน้าแล้วก็ยังกลับไปแล้วก็ยังนอนฝันอย่างเงี้ยคือเหนียวใจมันเหนียวคือมี มีความโยงใยผูกพันกับสิ่งนั้นเรียกว่ามีราคาดังนั้นไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวกินอาหาแล้วยังนึกถึงอยู่เลยเนี่ย น, นะก็ยังเหนียวอยู่กับอาหารนั้นอย่างเงี้ยถ้าโกรธก็คืออย่ามาอยู่ร่วมกับชีวิตฉันเลยผลักไสออกไปทําลายได้ก็ทําลายทําลายไม่ได้เอาตัวเองหลีกหนีออกมาอย่างงี้ประมาณนี้เนี่ยโถสักฟุ้งซ่านก็คือคิดสเปะสป ะ, ปะคิดจับต้นชนปลายไม่ถูก โมหะก็คือไม่รู้ตัวเหมือนถ้าทางโลกเนี่ยจะเหมือนว่าไม่เห็นจะเป็นโมหะยังไงก็คือกําลังคิดอยู่แต่ตอนคิดอยู่นั่นอะรู้เรื่องราวไม่รู้กายไม่รู้ใจการไม่รู้กายไม่รู้ใจก็คือขาดสติในแง่ของสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานเนี่ยท่านให้รู้กายเวทนาจิตธรรม4อย่างท่านให้ทั้ง4อย่าง แต่เราเนี่ยไม่ค่อยรู้นี่หรอกรู้ว่าคนนั้นทำอย่างนั้นรู้นี่คนทำอย่างนี้รู้เหตุการณ์รู้เรื่องราวขณะนั้นกาลังคิดกาลังคิดอยู่รู้สมมุติไม่ได้รู้สิ่งที่เป็นปรมัดที่ท่านให้ไว้4อย่างนี้รู้กายก็ต้องรู้กายจริงๆนะไม่ใช่รู้ว่ามือชันไม่ใช่ว่าเห็นกายคนอื่นแล้วก็เห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้ถ้าเห็นคนอื่นเนี่ยนะถ้าเห็นเป็นกายจริงๆนมันจะเห็นเป็นก้อนนะสักก้อนหนึ่ง หรือเห็นกายเรานะ่ยะเห็นเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งอยู่ในท่านี้ mm hmm. เรียกว่าท่านั่ง mm hmm. เห็นว่ามันหายใจก็เห็นมันกระเพื่อมไปกระเพื่อมมานี mm ่นะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าคนดูกายก็ดูเวทนาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ผ่านสมาธิมาแล้ว mm hmm. ถ้าเราไม่ผ่านสมาธิก็ามาดูจิตหรือดูธรรมดูจิตหรือดูธรรมก็คือดูสภาวะที่เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในใจมีความโกรธบ้างมีราคะบ้างความหลงใไปบ้างแล้วก็ ฟุ้งซ่านหรือท้อแท้หดหูประมาณนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆในใจรู้รู้ตามความจริงสิ่งที่เป็นสมมุติคือคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดียังไม่แน่ใช่ ไ, ไยังไม่แน่ที่เขาทำสิ่งนี้มาที่เขาหน้ามุ่ยมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โกรธเราก็ได้เพียงแต่ว่าวันนี้เหตุการณ์ที่บ้านเขาเนี่ยรู้สึกเครียดมากเลยแม่ไม่สบายไม่รู้จะ พาส่งโรงพยาบาลทันหรือเปล่าส่งไปแล้วหมอจะวินิจฉัยว่าเป็นยังไงยังไม่แน่ใจก็เลยหน้ามุ้ยมาไม่ได้โกรธเราแต่เราอะไรว่าวันนี้หน้ามุ้ยมาเราทําอะไรไม่ดีทําให้เขาขุนข้องหมองใจหรือเปล่าแต่ไม่เกี่ยวกันเลยนี่เป็นต้นดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะคือดูความจริงเขาเลวยังไม่แน่ว่าจะเลวหรือเปล่านะแต่เราไม่ชอบ รู้ทันความไม่ชอบคือโทอสะในใจเขาดียังไม่แน่ว่าจะดีจริงหรือเปล่าอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้ใช่ไหมรู้ทันราคะที่เกิดขึ้นในใจคิดเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่จริงคิดฝันอะไรไปนเนี้ยสิ่งที่คิดเนียอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ที่เผลอเผลอไปคิดฟุงงฟ้งซ่านเนี้ยจริงแล้วฟุ้งซ่านเนี้ยนะมันจะคิดมากมายเลย เวลาเรารู้ความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ต้องไปรู้เรื่องที่คิดเมื่อกี้นี้แต่รู้ว่าเมื่อกี้นี้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นถ้าไปรู้เรื่องที่คิดนะฟุ้งใหม่ถ้ามีคําพูดเกิดขึ้นในใจสักคำหนึ่งคือเริ่มคิดใหม่นั้นเวลาเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นคือรู้ว่าเมื่อกี้มีความฟาุ้งซ่าน <partager> <ๆ>ไม่ต้องพูดในใจว่ฟาฟุ้งซ่านหนอก็ได้ไแค่รู้ทันฟุ้งซ่านหนอเป็นเพียงแค่ มาเตือนใจตัวเองว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแต่ตอนที่บอกว่าฟุ้งซ่านหนอเนี่ยเหมือนเป็นฟุ้งครั้งที่สอง